พระไตรปิฎกฉบับประชาชนย่อความจากพระรตยปิฎกเล่มห้าชื่อมหาวัคเป็นวินัยปิฎกได้กล่าวแล้วว่ามหาวัคมีสองเล่มคือเล่มสี่กับเล่มห้าในเล่มสี่ที่ย่อจบมาแล้วมีสี่หมวดคือสี่คันธกะแต่ในเล่มห้ามีหกหมวดคือหกคันธกะรวมทั้งสิ้นในมหาวัคจึงมีสิบคันธกะ ดังนี้หนึ่งจำ ม, มะขันต ก, กะหมวดว่าด้วยหนังในหมวดนี้เล่าประวัติของพระโสนโกลิวิสะบุตรเสฐีผู้ออกบวชแล้วบำเพ็ญเพียรจนเท้าแตกทรงอนุญาตให้ใช้รองเท้าญ่าชั้นเดียวห้ามใช้รองเท้าสีต่างๆและห้ามใช้รองเท้าหนังสัตว์ที่ไม่ควรต่างๆทรงแสดงเรื่องมารยาทในการใช้รองเท้า ว่าอย่างไรเป็นเสียความเคารพอย่างไรไม่เสียส่งห้ามรองเท้าไม้ห้ามใช้ยานที่ไม่สงวรห้ามใช้ที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่ห้ามใช้หนังแผ่นใหญ่เรื่องของพระโสนกุติกันนะผู้อยู่ในแคว้นอวันตีและกำหนดเขตชนบทภาคกลางและชนบทชายแดน 2. เภสัชคันธกะ หมวดว่าด้วยยารักษาโรคกล่าวถึงยาต่างชนิดเล่าเรื่องพระเวรัตศีสะพระปิลินทวัตชะทรงอนุญาตการผ่าตัดทรงอนุญาตยาสีชนิดและยาสมอดองด้วยน้ำมูดทรงอนุญาตคนทำงานวัดอนุญาตเพศศัทธาเล่าเรื่องพระกังขาเรวัตะ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประชวนโรคลมในท้องห้ามเก็บอาหารและหุ่ต้มในที่อยู่เรื่องเนื้อที่ไม่สมควรฉันการเสด็จสู่ปาตะลิคามเรื่องนางอัมภะปาลีเรื่องน้ำดื่มแปดอย่างและเรื่องกาลิกสีสกระถินคันทะกะหมวดว่าด้วยกระถิน กล่าวถึงต้นเหตุทรงอนุญาตกะถินอา น, นิสงห้าเมื่อได้กรานกะถินกรานคือลาดผ้าลงกับไม้สดึงกะถินเป็นชื่อของไม้สดึงคือไม้แบบสำหรับตัดจีวรหมวดนี้ยังว่าด้วยเรื่องกะถินไม่เป็นอันกรานข้อกาหนด8ดอย่างในการเาะกาะถินคือรื้อไม้สดึงความกังวลและไม่กังวลเกี่ยวกับกถิน จีวรนขันธกะหมวดว่าด้วยจีวรกล่าวถึงเรื่องราวต่างๆตั้งแต่ทรงอนุ ญ, ญาตให้รับจีวรได้ตลอดจนผ้าที่จะใช้หลายชนิดกับทั้งผ้าที่เกิดขึ้นโดยผู้ถวายตั้งเงินไขไว้ต่างๆจําจำเปยยะขันธกะว่าด้วยเหตุการณ์ในกรุงจำปาว่าด้วยการทำกรรมของสงต่างชนิด ส่วนใหญ่เป็นเรื่องลงโทษเช่นอุเขปนิยกรรมคือการยกขึ้นจากหมู่เป็นต้น 6. โกสัมพิขันตกะว่าด้วยเหตุการณ์ในกรุงโกสัมพีส่วนใหญ่กล่าวถึงเรื่องสงแตกสามัคคีกันแล้วส่งแสดงวิธีพรองดองของสงในทางพระวินยัย